เรื่องของมีเจ้าของควรขอยืมหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายรังเกียจการนําเสนาสนะเครื่องใช้สอยไปโรงอุโบสถบ้างที่ประชุมบ้างจึงนั่งบนพื้นดินเนื้อตัวและชีวรจึงเปื้อนฝุน่นภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นําไปใช้ได้ชั่วคราววงเล็บ เรื่องที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่